สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการ 106 แห่งนี้ตอน เราไปกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเป็นภานค่ะเมื่อบ้านซึ่งเรียนนับถึงเหมือน <c oughs> ไปแล้วเราก็มาระลึกถึงไปทําบุญกันเราควรจะได้อะไรจากการทําบุญ ทำบุญอุทิศให้ท่านอันนี้เป็นหน้าที่ถ้าเราไม่ใช่เป็นลูกเป็นเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเราก็สามารถทําได้อันแล้วถ้าบุคคลที่ แล้วก็ตรงนี้ก็ใช่ๆเพราะว่าเอาเอาตัวอย่างเปรียบเทียบเอ่อพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าบุคคลที่เนี่ยอย่างแค่ ทำไม่ไปเป็นท้าวสกะเทพระอะไรหลายอย่างมากๆนะที่เพราะๆของคนธรรมดาไม่รู้ อันนี้เป็นกุศลในใจของเรานะได้ไปสวรรค์นะอืมอืมน่าสนใจมากเลยนะคะท่านผู้ฟังอืมคือหมายถึงว่า ตรงที่ท่านได้กล่าวถึงพระใช่มั้ยคะว่าใครที่ระลึกถึงพระองค์ว่าตัวพระองค์นะ นะท่านพระอานนท์ก็ฟังฟังแล้วก็โอ้ก็ยกย่องพระพุทธเจ้าอย่างมากเลยนะพอตอนที่พระพุทธเจ้าเอ่อ พระพุทธเจ้าก็เลยอธิบายว่า 7 ครั้งเป็นพระเจ้า 7 ครั้งนะเพราะว่า ในสภาพนี้ค่ะอืมเอ่อซึ่งก็น่าสนใจเร 7 ครั้งจะทําให้ไปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 7 ครั้งขนาดกับพระอานนท์นั้นหมายถึงบทสวดสรรเสริญ นี่ที่ที่โสภควัณัณั่นึกออกค่ะเอ่อปุริชาหมายถึงจิตที่เลื่อมใสนั้นคือคือการอาการสักแต่ว่าสวดเนี่ยไม่ได้หมองเบาคุณเลื่อมใสจริงค่ะอ๋อแต่อย่างไรก็ตามเดาจะเลื่อมๆเรา สวดคำแปลของการสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นอ่ะเราไม่ได้อ๋ออิติปิโสภะคะวาอรหัง ของแล้วดิฉันตั้งแต่เด็กจนโตนะคะสวดมนต์นี่ก็จะแล้วก็อาจจะสวดบทพาหุงอยู่ ประกอบกันหรือเปล่าคะความศักดิ์สิทธิ์อันนี้อยู่ที่เรารู้ถึงถึงว่าคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรคุณสมบัติ อย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลงใจนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราจะปฏิบัติธรรมได้ด้วยแค่อาการแห่งแห่งการๆนะ ถ้าคุณปากค่ะอืมงั้นเรามาสรุปกันอีกครั้งๆเป็นเป็นค่ะอืม เคารพท่านนี่ต้องไปถึงเข้า 3 ขั้นตอนอย่างเช่นว่าสมมุติถ้าเรามีศรัทธาในใน 2 ก็คือเราต้องรู้ด้วยว่าไอ้ ถูกต้องเข้าใจนะนิพพานต้องทําให้แจ้ง 3 ขั้น 3 ก็คือได้ทําอย่างนั้นค่ะก็พยายามรู้ให้ยิ่งยิ่งใช่ แต่ก็ที่ 3 อาการ 12 รอบ 3 ก็ 3 รอบค่ะก็ค่อยเรียนค่อยรู้ศึกษาคําสอนทีละเล็กอย่างนั้นๆอย่าง ได้ในที่สุดนะคะใช่อันนี้เค้าเรียกว่าเอ่อมรรคสมังคีนะคือมรรคทั้งหมดเนี่ยมันจะมาสามัคคีรวมกันเข้าไปในจิตเราพอตอนนั้นเราจะมีความมั่นใจเลย นะคะอืมมีมีบ้างบางคนก็จะใช้พระพุทธรูปบ้างแต่ๆแล้วมันไม่ทุกอย่างเลยบางคนอาจจะ mm. mm. อันนั้นเราจะดีมากนะคือเราจะมีความยึดยืนในๆเรื่องแรกก็คือเรื่องของธรรมดาอาจจะเป็นผู้มีพระคุณต่อเราบิดามารดาญาติ แล้วก็ถ้าทําแล้วเราระลึกถึงศีลศรัทธาจะแล้วอย่างถูกต้องอย่างเข้าใจท่าน 7 คราวใช่มั้ยคะใช่ถูกต้อง เนื่องว่าจะการที่ทุกคนเราจะต้องมีคนที่เราเคารพนับถือแล้วก็ท่านก็เวลาไปวัดแล้วพระแปลให้ด้วย ในคัมภีร์ที่เราไม่เคยเข้าใจเราคิดว่าเอ่อบท <ฮ ะ. S 2> ฉนิดสัตว์ใกล้ตัวสัตว์ M16 อะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถเลือกหยิบมาใช้กับศัตรู ก็จะต้องล่ำลากันก่อนกราบนมัสการๆเดือน <pr> กับเนปาลนั้นมี